นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขอุญยะสะอุจัยโยติสาธาวฟังดูรากรมโยชธาตั้งหลายมลไดอารัตนาต่อนุตูรุมาเตเตสนาธรรม ในวันมือนี้สมที่ไดเตเตศสนาธรรมว่าดุดึงการกตตามบุญสืบไปไปนะขาขาเอื้อปมหยอกสัทาจุงโจนกันตั้งสโสตาภาศาสตร์สะดับรับฟังสืบไปไปนาะในวันมือนี้ ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่พอออกนันดีมีออกนายสินน่งแปลงเป็นเก้าในการตั้งรร ม, มหาเวสสันตราโยสัมมณขคืนเป็นพิกคุในวราระพุทธศาสนาอ่อนตังสุดนั้นกรมผู้ว่าที่ดเตเตสนธรรม ก็ได้มาปางเหมือดชั้นเขานี่ก่อนว่าปางเตติสนธธรรมขอดยอดหอดถึงปลายในการตั้งธรรมว น, นีเมือเหลวนี้ไปตั้งไหนก็เป็นไกล้นิมอนเตสนธธรรมทำนิมอนเตสนธธรรมก่นิมอนเสือนลายปูลายข้นก่อนิมอนเสือน หลายผูู้หลายค่อนก่อนมอนเตสนาท ร, รมมปมลม ก, กันนะ่ะปลอมหอกสัทธาหลายตีกอหันก็ห้องไปเสิร์นในคำเดียววันก่อนนั่นไปขึ้นถานทำผาเตยวันป่างมืองหลังไปจับใส่หม อ, อกสัทธาเข้าเสิร์น คนมันยามเสือนกอดได้เหนียวเขาก็เลยเสือนไปไปจับใส่จางเสือนกินต่างแตะไปจับใส่จางเสือนกินจังเหลี่ยนผมตันอะหวะน่ะก็เลยมัยามแทงหันเสือนหัวันนี้เหนียวเข้ามาฟังทำ ในการตั้งรมเวสันตระในวันวนันนี้ได้มีปีน้องมากนาหลายตามาหอมกินหอมตาเก่าเจ้ากับเจ้าสัทธาปอกงานดีเห อ, อกนายสินนั่งแปลงในการตัธรรมนั่นตั้งเก่าเกาว้ในธรรมมันจือววามังคละสูตร คันผู้ใดเสีกด็ดีถ้ายังว่ามีเจตนาสาัทธาตานคนเดียวดักดักเสเลตานเ ต, ด, ตดเตจเสเลตานมึงเก่าปีมึงเก่าน้องมีเจตนาสาัทธาบังเกิดเสเลไปตานนั่นเกิดมาแทงจาดนาปานได้ก็ดี ควันูนั่นก่อตีมังมุนตุนเต้าได้เขานำโภชนะอาหารสัมปตีก้อยแต่ว่าควาันูนั่นหาปีหาน้องหาปริวนันใดปริวันสมบัตินั่นติมมีสร้างควันผูได้ก็ดีได้พากาศหือเปินตานไปบอกไปกล่าวหือเปินตานแต่ตัวเกลมตานั้น เกิดมาแทงจาดหนังก็รีปุ่นหน้าเต็มทนไปโดยยาที่ปีน้องว่องสามิตะเกยสหายก่หลายแต่ว่าเป็นคัอนตุกข่าย่าผืชแข็งใจสัมผู้ไดเสียก็ดีได้ตานสิ่มกาเป็นเจ้าสถาสิ่มกาได้ประกาศบอกกล่าวจนถึงปอเมปีน้อง ยาที่กาสัมปันธาวังสามอาทิตมาตานจอมนั้นพระลาอานิสองกอดที่หือหมังมุนตุนเต้าโดยเขาของสองผ่าการผ่าการตีหนึ่งนั่นก็ดเต็มโทนไปโดยเขานําโภจนอาหารสัมปติกินต้บอกกมยอมผ่าการตีสองนั่นก็ดเต็มโทนไปโดยปริวานสัมบัติมีปี่มีน้อง มียาตีกาสัมปันธาวงาังษ า, า, ามีหมากมีหลายยามมีการมีงานก่อจังมาจ่อยสึ่งกันแหละกันใดคอนเทียงจำโปกหนึ่งตาลกมตาลจนเปื่นตาลนี่กลโจนเปิ่นตาลนอ่ะอยู่เติดเตดอันแกลเปิ่นมาสอป่าไปตาลกมตาลไหล คนผู้นี้เกิดมาเที่ยงจาดหนึ่งตุกไร่แขนใจโดยเขาของสองพกกาดเงินคำสัมปติโคของกมมียาตีกาปีนองกมมีอันนี้ก่าเกาไว้ในธรรมอันจือว่ามังกลาสุวันนี้เจ้าสัทธาเก้าได้ตานเสียมกา ได้บอกกล่าวไปถึงปีถึงน้องได้มาห่อมกินห่อมตาลอยากน้่ตตาเต่าโดยใจบังเกิดในแก้วเจ้าสามภาการเรลืองใสยนั้นก็ที่ใดพระาอานีสองสองภาการคือเขาของสัมปติกอมังมุลตุนเต้าปริวานยาติกาปีน้องมิตรตะเกยสหายกมี ยามีตุกก่อจอยกันไดยามมีขีก่ก่อจอยกันไดอันนี้เป็นพระราช น, นิสองตามยังกล่าวแกวไวในธรรมแท่งหวาควนนั้นมีสี่จำโปกโผล่ออกสะทามืดมาหมืดไปจำโปกหนึ่งแทงจำโปกหนึ่งมืดมาเจียงไปแทงจำโปกหนึ่งแจงมาหมืดไปแทงจำโปกหนึ่งแจงมาแจียงไป ตว่ามืดมามืดไปนั่นเป็นจือเกิดมาในชาติจาดนี่ปางนี้แล้วเป็นคนตุก ข, ข้าหยาผืดขันใจรักามำทนโคของสัมปติผมมีอันนี้ให้ได้จว่ามืดมากันนี้ยูมาเป็นมนุษย์สรุกเมืองควนยาว มันได้กินได้ตาได้สร้างตาหน้ปารมีศีลธรปารมีภาวนาปารมีเลเล่ตายมือข้อนจำโปกนี่ห้องจือว่ามืดมาแล้วก็มืดไปแท่งจาโปงนึงหมืดมาแล้วแจงไปเกิดมาเป็นค้อนตุกข้ายาผืชขันใจลักขนำทนห่างดีห่างงามเสียก็ดี กุดผู้ในตัวในใจโอ้ฮาถูกที่เฮตานะปาลามีศีลปาลามีภาวนาปาลามีสืบไ ป, ปไปนะเหล่าไรแฮตานะศีลภาวนาตามวักมหาเลยกันตายมือก็ได้ไปสู่เมืองฝ่าเมืองบอลเกิดมาแทงจัดก็หังมีเป็นดีควันจำปกนี่ห้องว่าหมืดมาแหล่สียงไป เที่ยงจำโป่งหนึ่งเจียงมาละมืดไปเกิดมากาโปอเมยมีเงินมีคำํำเดียวมตุกหยาบโดยการหนุ่งการใบการยองแต่สัมมีจิตใจโลภะให้เมือมสองกินสองตานมสร้างตาณะปาละมีศีลปาละมีภาวนาปาระมีได้กินคู่ของสัมปติของปกอของเม่ สืบมือสืบวันดเดล่ตายมือกลมจังคืนเมืองผ่าไหลที่ใดไปสู่อบไปยาภูมิจังสี่สืบไปไปลายนาคอนจำปุกนี่ตามทำพระเจ้าห้องว่าเจียงมาละมืดไปแทงจำปุกหนึง่งห้องว่า เจียงมาและเจียงไปว่าผมอยอมศรัทธาเกิดมาจากนี่นั้นเป็นค่อนหังมีเป็นดีรูปชมนมพันวันณนก่องามหน้าตาก่อมวัดใสเงินคำก่อมีว่าเป็นค่อนมีจีตนาศธาเลิมใสในเกลยวเจ้าสามพระการเทียงได้ติบได้ตานถาบตาหน้าปารมีศีล่าปารมี ภาวนาปารมีแทงความจำปวกนี้ห้องว่าเ <c oughs> จียงมาแลว้วก่อเจียงไปตีนํา ม, มาเก่าวเน็ตผมีออกสัทธาเขานี้คือได้ผู้ในตู้แน่ใจเขาว่าเขาเป็นควันหมืดมาหมืดไปหือ <c oughs> เป็นควันหมืดมาเจียงไปห้าเป็นควันเจียงมาแล้วที่หมืดไปห้าหรือว่าที่เจียงมาแลว้วก่อเจียงไปวันนี้ ผมมีออกสัทถะได้โจรกันมาหอมติบ้อมตายาดน้าตําเต า, ตาในการต้านทำเวสันตระแล้วก็ยอปิกพาปิกคู่ใหม่ทำเวสันตระตีในเมืองจรงิงตุงเฮานี่ยอมเติดกนันนี่เวสันหลูว่าเฮาห้องแทงจื้อหนึ่งห้องจื้อว่าเวสันซอยปกยอกซอยเจ็ดมือ เวสันตอยเจ็ดเมืองนี้มีมาอายุใดหมอบปากห้าสบ ป, ปีอ่อนตางสุดนั่นเป็นเวสันในธรรมเป็นกาถาปันมีเวสันต์กันถีเวสันต์รอมเวสันต์กัดแก้วและมาเวสันตหลวงเจ้ามาหาขนานเจ้าฟ้าเมืองจริงตุงอ่อนตางสุดนั่นจือว่าเจ้าดวงแสง เกิดเป็นซึกเป็นเสือในเมืองเสียแล้วเลไล่ป่ายไ ป, ไปอยู่เมืองยางแล่ไร่บดเป็นพี่คู่อยู่ติเมืองยางปุ้นวายหลังมาจึงไล่ปอกมาสร้างบานสร้างเมืองจิงตุงแล่ซึกออกมานั่นเจ้าดงเสียงซึกออกมาแล้วเจ้าวานเจ้าเมืองจึงของหว่าเจ้ามาหาขนานเจ้ามาหาขนานเป็นผู้เจรจาดผาดผายในกองธรรมวินัย เอาเวสันกับแก้วเวสันกันที่นี่ไปขยายเตรียมออกคือแผ่นเวสันหลวงปอกยยกสวยเจ็ดเมืองขึ้นมาสอนอายุได้หนึ่งปากเกาสิปีโดยประมาณเตรียมตีไห้อันว่านั่นเต็มอยู่ตีฐานะทรรมผาตยวานปางเมืองลังเป็นรรมอันมวลเพอดีฟังแล้วก็ภาษีอาริยะแมตไตเจ้า ได้สั่งล่องมาตีผ้าตีผ้าผามาลัยว่าภุกระราภูใดก็ดีได้ตาลทำมหาเวสสันตารานีติมเมตตกนารกไปสู่อภัยภูมิที่ได้ขึ้นสวรรค์จันฝ่ามีพระลาอานีสองมีออกสัทธาหลายภูหลายคอนได้ฟังธรร ม, มหาเวสสันตรานั้นหลายภูหลายคอนก่อ มึงเลยฟังตั้งแต่เก้าสุดปลายได้ฟังปอดฟังเป็ดตอนไหนสิ่งดีกว่าเรียนมาฟังไงตอนไหนสิ่งดีกว่านอนรับฟังไงเมื่อนี้ก็มีเรื่องตี ป, ปอดตียอมมานั่นตั้งแต่เอาทำตาสะพานสืบล่องมาสิบสามผูกต่อถึงนากรา น, นว่าได้วยเรองพาเวสันตระได้เกิดมา ภูเป็นเมจิว่านางพุทธดีเกิดมาฐานนตีกลางตั้งในห้องเวสันตระเวสานันเปนวพาป ก, กา้าอันตระเปวาระวังต่ากลางเวสันตระปองว่าต่ํากลางตั้งป ก, กา้าเกิดมาแล้วได้ถามกินถามตามจาเดียวและเมื่อเพียเวสันตระเกิดมานั่นก็ได้มี จ้างเผืกตัวหนึ่งเอาจ้างเผือ ก, กี่ยวงานอนโยริยาดลงมาเตบจากฝ้าเอามาไว้ในโขงจ้างในเมืองตีพิาเวสสันตระอยู่นั่นได้ใหญ่มากเป็นจ้างกู่บารมีสืบมาพิอาเวสันตระก็ได้กินแขกแต่งงานกับนางมาทัททีมีลูกจอมกันสองผู้สองขวานคือเจ้าจารีแลนางกันหาได้ออกกินออกต้าน ตุกโขเป็นปีสืบมา ก, กันแล้วยังมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองกลิงกรารัดฝ้าฟอนขันตอกทองรองมาเลยโจนกันมาขอจ้างเผออกเจนานงอนของของพเพียสันตารานี้กันนี่มาขอได้แล้วเอาปอกเมืองบานเมืองเมืองฝ้าฟอนกอตตอกจุ่มลองมา้าเมืองสีปิน อันเป็นเจ้าเมืองเพียเวสันตราชีตใหญ่ว่าเพียเวสันตราจ้างเผอแก่อย่างตานปันปืนแทงอินมาปืนมาขอบานขอเมืองกอดที่ปันเปืนเยา้าแต่โจรกันหลุดไปก็โจรเอาตึงหลูกตึงเม่นั่นไปอยู่ตีเขา ว, วังกอดเอานางมาทีเหล่จารีกันหาไปอยู่จอมตีเขา ว, วังกอดสุดท้ายมา ผู้เป็นป่อกก่อไปอารัธนานิมนต์คือซึกจากพระราศีเสเล่ปอกมาสู่บานสู่มืออันนี้เป็นข่าวเหลืองในทำเพีเวสันตระในการเตะทำนั่นระบำทำเตะเวสันตระผมหยอกสัทธาผมเคยหูในการเตธรรมมีสามระบําระบําตีหนึง่งห้องว่าระบาํามาย่ําไฟ ใจเตดนากรกาถาปัน้นระบำตีสองห้องว่าหมักเน่าหล่องของไกจเตดทำย่อยตั้งแต่ตาสะป้อนหิมะปานลงมาระบำแทงตีหนึ่งห้องว่าเป้าไกวใบระบำทำเตดมีเสียงจ้อยมีเสียงโอนเสียงอ่อนใจเตดทำกุ ม, มารวันและมัดที ราบำทำเตจสามหล่ำนี่กันว่าฟึกคือดีเตดคือดีก็เป็นติดีฟังคือมันถูกตองจอบเหม่นอัคาราภาษาวันนี้ได้ตั้งทำรรได้ฟังทำเสียเรียงกาได้พระราอานีสองขึ้นสู่สวรรค์จันทราเกิดมาแล้วกว็หังมีเป็นดีสามมีเจตนาศรัทธาบังเกิดแท่งเหมือนหมูเฮาเจ้าคาตั้งหลายโมนี ก่าที่ได้จอวาเป็นคนอันเจงมาแลว้วก่อเจงไปสืบไปฝปนะ่ายหนาในการย่อาสามเน้นขึ้นเป็นพิคคูนั่นได้จอวาสืบต่ออายุปุทธศ า, าสนาผู้ย่อนั่นได้จอวาเป็นญาติปีน้องกับศาสนา พราเจ้าตันหนึ่งจือพาอา ร, ราอโศกกราดัวายหลังพระพุทธเจ้านิพานไปสาปากสบปีได้มีเจตนาศรัทธาบังเกิดเริ่มใสในพระพุทธศ า, าสนาได้สร้างพระธาตุเจตียาอารามนานาต่างๆและไล่ส่งสมณะตูตาออกไปเผยแผ่ศาสนาในวันในเมืองต่างๆเป็นจำนวนเก่าสาย สายหนึ่งนั่นส่องมาอย่างสุวรรณภูมิก็ได้เก่เมืองหม่านเมืองไทยเฮานี่ศาสนาจังได้มาการกลุ่มุงเรืองอยู่ที่นี่ได้กินได้ทานโฟ ป, ปานทถนี้แล้วได้ส่องสมณาตูตาไปเผยแผ่ศาสน า, าปกวรงขวางกันนี้แล้วพิยาอสกราชนี่ได้ไปไหวสาถามพระสังฆเจ้าว่าข้าได้ติบได้ตามสังวัดวาอาราม สังฆายนาธรรมวินัยปปานธานีนี้ข้าจังไลจือว่าเป็นญาตที่ปีนองกับศาสนาถือพภาษาข้าเจ้าก ว, ว่าย้ำเลยแผนเต๋อเฮ็ดฮือเหล่ที่แลยแผ่นญาที่ปีนองกับศาสนาที่เลยเอาลูกเอาหลานโบวอยู่สั่งในศาสนาเหวมวเขาจังที่สอนว่าเป็นปี่เป็นนองกับวราปุทธศ า, าสนา กันว่ามีลูกมีหลานบทนั่นคือได้โยลูกเปิดหลานเปินเข้าบวชสร้างอยู่ในศาสนาขันธูนั่นจังที่ใด้จืวบนนว่าเป็นญาติปี่น้องกับศาสนากันนี่เพเป็นญาติปี่น้องในพุทธศาสนาเราสัมถิมีประโยชน์เจไดปรมิ อ, อักษร์ท่าเขาก่อสอนตดยปัจจุบันเมื่อเหลียวนี้เขาเป็นปี่เป็นน้องกัน ก, นกอยามมีตุกกอจ่อยกันยามมีขี่กอจ่อยกัน เป็นปีนองกับศาสนากลเหมือนกันยาวกลมหยากสะทาเขาบุญศาสนาก่อไปหอบอุมหักษาบุญอันเฮาไดยอพระผิกู้สามเณรก่อไปหอบอุมหักษาเอาเป็นตีจังตีปึงเกี่ยเฮาไปหนาะกรนมนี่ในการติีการตานนั้นกันหว่าหมอติปหมอตานกลมจ่างไดบุญกลมหยวกสะทา เงินคำตีปอมเหาะซัททาเขาหามาใดนั่นมีอัปุมเรื่องหนึ่งสอนใจไวมีนกแขดเตา่าฝูงหนึ่งมีโหนาตัวหนึ่งจนกันไปกินเขาสาลีในสวนตุกมือสืบบ้านมากันนี้นกแขดเตา่าอันเป็นโหนานั่นกินแล้วมกาสกังกาบมือจอม คนไป้าโสนหันก่อนนอกตัวนี้โลผ้าหนาะกินก็ก็ยำโป้เตยยังกาบมือจอมมันเป็นหื้อเตะที่เต๊กยับมันตัวแหลทองถามต้วรู้มันก็มาหางเหี้ยวใส่ไวนอกแขกเตาโหนนานก็มาขาเหี่ยวเตะจึงเดีมาเจ็ดถามตัวเจ้าเป็นสังเลโลผ้าตั้หาต่างโต๊ะเปินกินเยา้า อิ่มต้องอยาก่อปนบินปลายมือส่วนโต้เจ้านี่กินเสเลมกลายังกาบมือจอมนี่มันเป็นหือไว้มันก่ออธิบายเนยตีค่ากาบมือจอมนี่ข้าวใบแบ่งเป็นสามส่วนส่วนตีหนึ่งข้าวใบทายนีดส่วนตีสองข้าวใบปั้นปุ่นกูส่วนตีสาม ข้าเอาไปฝังไว้ก็มีออกสะทาก็จังปองใจกำ น, นี้คนไปสวนั้นกอถามตัวอ่ะว่าเป็นซังแหละตีว่าเอาไปซรายนี้นั่นเฮ็ดหือเลยไปซายนี้มึงถูกนีปนามันก็ว่าตีหังนอนข้าตอนไม่หลวงปู่ น, นั้นมีป่อมีแม่ ได้อุปถาดลุมลาเลียงดูคามาคาถูกนี้เขาเออขากาบเมื่อจอมใจข่าวเมือกินว่าขวเมือปั่นเขาเขาเท่าเขาเกศตีบินไปซอวากินกมไหลอันนี้จังได้ตีว่าขาวไปทายนี้ตีว้าไปปั่นเปื่อนกวนหวานนั่นลูตีห่างนอนคานั่นคามีหลูกหน่อยเอ้อ ปีกกาถามแข็งตีบินเมื่อโซว่าหากินก่อยย้ำไหลตือ้อข้าวไปปั่นเข้ากินเข้าใหญ่มากาสูงมาวันปายรุ่นมาจังที่ไม่สายนี ข, ข้าคืนรันนีข้าวไปสายนีตีว่าเอาไปฝังไว้นั่นรูตีหังนอนนั่นมีนกเทานกเก่นกปีกหักขาหามมจังบินเมื่อไร ข้าไปปั่นข้ากินน้อเป็นการสั่งกุศลนับุญจังได้จีอว่าเอาไปฝังไว้กันีีคนไปสวนกว่อนนับถือแนะนำใจมันเสรีอนุญาตกินถืออิ่มใครกาบมือก็กาบมืออันนี้เอามาสอนจิตสอนใจเราในการสร้างโลกสองสารได้ซ่อว่าหามายาส่วนหนึ่ง แก่ไว้ปันดุปันหลานยามเทายามเกะมาถ้าผมแก่ไว้ปันดุปันหลานดุหลานผมดูมตัวเหอะผมอยากสะทาเขากัมโวรานว่าเข้าโกมันต่าเหมือมันผ่านโกได้ผ่านเหมือเท่าพอมีเงินมีคําไหว้ส่วนหนึ่งแก่ไว้ปันดุปันหลานเป็นหอเฮือนมูละข้าพุนเป็นไห่เป็นหน้าเป็นหน้าเป็นหนองแก่ไว้ปันดุปันหลาน ลูกหลานจังตีดูตีตัวเหาส่วนตีสองมาแก่ไว้กินไหวตานเอากุศลน้บุญกับตัวกับใจไปถึงจาดใบหนา้าส่วนตีสาม้านั่นเพื่อไดแก่ไว้สื่อกินยายามเท่ายามเกล่มอมเยาะเสธาเขากามีกะแกะไ่ไหวไม่กินตานกลมไหลกามีกะตานกึศเพลุเพลลานกลมไหล เงินคําอันเฮาโซหามาไรานั่นคือได้แบ่งกันสามปุ่นเหมือนติดได้เก่าวเนี่ยผมหยอกสัทาจังได้ถูกตรงตามกองธรรมวิในในวันนี้ผมหยอกสัทาเขามีเจตนาสัทาบาังเกิดได้ติดได้ตานั่นก็สอนว่าได้พระลาอานี่สองได้แห่ตามกองธรรมวิในไ ม, มตองไม่พุดมมขานยอม ตานก่อเลยตานไหวปั้นลูกปันหลานก่อไห้ยามเทายามเก่ยามเจียบยามใหม่ไว้หักษาโตก่อแบ่งไหวเป็นปุ่นเป็นปุ่นจังที่ถูกต้องตามก้องธรรมวินัยอันนี้ได้จือว่าผมหอกเสธาได้มากระตำบุญพอเฮ็ดบุญอย่างอีแล้วความสุขอุ่นต้นใจก็เกิดมีเหมือนดั่งปาลี่ติดได้ว่านี้ผมหยอกเสธานนณะ ว่าสุโคุลยะซาอุจายุการเก็บหอมบุญนั้นเอาความสุขมาหือเขาได้ติดได้ตานเฮ็ดตามกองหีบกองศาสนาก็ได้จือว่าได้พระลาอานิสองได้บุญกับอหมีออกศรัทธาเขาก็ยินดีจำจุนอนุโมตนากับโดยเจ้าศรัทธาปอกนานดีมีออกนายสินนั่งแป็งเป็นเก้ากาปีกา้อง อติได้นิมอนมาเตเตสนะทำปันโอวาตตในวันเหมือนนี้ผมออกเสีท่าเขาได้นิมอนมาเตเตสนรรมก่อคิดว่ามุปตะจับขิ่งจับยามเหนึ่งจื้อแหลมจับนี่กินเขาแล้วมาฟังทำแล้วมันไข่ลับต้องแต้มแล้วกินเขามาฟังทำไข่ลับ มันหล่นนู่นอิ่มๆจากที่มาฟังอ่ะเมียพะนะแล้วก็นางเหางาบเฮางาบเยอวอ่ะกันนี่ในการกินการ้านนั่นก็ที่ใดกินตานฟึกเมือตังแต่น้อยต่อถึงปอใหญ่ติบตาใดกะหือก็ว่าใดป๋องเป็นกนนั่น ในการต้านนั้นผลมีลักไว้ว่ามีเกยอย่าต้านหลายมีหลายอย่าต้านเกย์ผมอยากสาเสีาเขาเพราะมีเกต้านหลายก็ตุกหย่าเขามีหลายท่านไปต้านเกย์กับผลว่าสถียรขีีฉะนั้นมีเกยอย่าต้านหลายมีหลายก่ออย่าได้ต้านเกตามตั้งแ ต, ต่น้อยเมื่อว่าในปองเป็นคือก้ อ, อยา้า ตาน้อย่าปีขาดศีละอย่าปี้ขาดภาวนาอย่าเปีขาดกัมบูราณคอนเฮาแบ่งวัยาอายุคอนเฮานั้นมีไว้ว่าสิบปีอาบน้าเบาหนาวสาปีแอลสาวเาาวบากา่สามสิบปีเบานายสงสารสี่สิบปีเฮ็ดการเหมือนฝ้าผ่าห้าสิบปีสาวน้อยดาเบาเจ๊ใจ หกสิบปีไอเหมือนฟานโคเจ ส, สิบปีมะหกเต็มโตแปดสิบปีไข่โขเหมือนไหเก้าสิบปีไขรก่อตายไม่ไข่ก่อตายกันนี่ว่ายาณคนเฮามีเฮา ห, หูย่าวาไรปองแปนอ้อวันหนึ่งมาถึงวาราสุขไทยเฮามา น, นี่กาโจปมเมียกเสท่าย้ำได้ถึงนี่ปานธรรมเตืนนตอนนั่นตนเตียวอยู่ในวัตตาสองสา สามสบแส้งนี่คืนคืน้องๆ้องอยู่นี่ตื่นที่ได้มีตั้งสินตั้งบุญอ่อนนาตายเมื่อกลมได้สังมือมืออันตายนั่นได้แบ่งโคูของสัมปตัติเป็นปุ่นเป็นสนวิญญาณดีตายเมื่อก่อจังได้พระราอานีสองมือบังเกิดในจ่าปายนาคันเราเกิดมา มีหูมีตาเหมือนกันกลเหมือนกันผมอยากเขามานหนงในวิหารนี่ตึงเมืองจริงต้งสยงเสยนี่คืมันหนงไอ้ข่ตัวกลมเหมือนกันไอ้กาตาก็มีเหมือนกันหูก็มีเหมือนกันมือก็มีเหมือนกันสี่งเสียงก็เท่แเหมือนกันตาก็มีเหมือนกันสัมงามเหมือนกันก็มีนาก็มีเหมือนกันงามเหมือนกันก็มี ชอบมีเหมือนกันงามเหมือนกันก็มีอันนี้เป็นโดยเหตุฉันใดผมเหวียงศรัทธาเขาพระพุทธเจ้าเก่าวเกไว้ในธรรมอันจืบว่าจุลกัมมารีพังกสุรคนอันเกิดมาอายุมิ่นสั้นปั่นตายนั่นเปือเป็นคนหมักคาสัตตัดชีวิตเกิดมาอายุสั้นปั่นตาย เกิดมาอายุยืนยาวนั้นพ่อเป๋วว่ามีใจเมตตาผานิมัคคาสัตต์ชีวิตเกิดมาไมีโลกาแผลใครเทาย่อยังแข็งเรื่องไปไหนมาไหนใดนั่นโลกาแผลใครก่อมมาบิดเบ่งหิงสานั่นพ่อเป๋วว่าเป็นค้อนมีจิตใจเมตตาบีดเบ่งเปิดหิงสาเปิดเมียดหรือเปิน เกิดมามีโรกไทยใครเจีบหลายกรรมกอดเจีบหูกรรมกอเจีบตากรรมกอดเจีบหลังกรรมกอดเจีบเย้าหยุ่มขาดนั่นพอเปิดว่าเป็นควันตีมักบีบเบ้นหิงสากระทำรายต่อปืนคนอันเกิดมาเป็นคนห่างจ่านั่นพอจาที่จาาเล้ยวปังเล้วนั่นเป็นควันตีมี โตสาักมักเกียจจ่าใจดํามักบุญมักฟ้องมักด่าปืนอีสังอินก่อใจจ้าใจดําเหมือนใจอินก่มักจ่ามักเกียดอันนี้ท้าผู้ถึงจ่เ า, าเล้ยวผมเหยาะสัทธาเขาจาหนี้ก้อยกลมงามไหลถ้าเป็นคนมักจ่ามักเกียดปนนา ง, งอยู่เศษเศษพายกมไข่ตัวหนาะ เกิดมาแทงจากนก่อหังจ้ากันนี่คันเกิดมาห่างดีถูกหูปึ้งตาลักขนาก้าก่อเต็มทนตัวตั้งนากางามตั้งหลังกาะงามเพราะเป็นคันมีเมตตากว้างขวางผมอย่างศรัทธามักจะมักเกดมักใจรั้งปัญดาปัญปลอยก่อยุ่ใหม่เป็นคันห่างดีห่างงาม พปรหั่นดีห่นงามเย้าก็เป็นตีถูกหูปึงตาไปกล้าไปขายตีไหนก่อเปิรนก่อเอาใจใส่เปิรนก่อกล้าก่อ ข, ขายจอมโปมี อ, อกซัดทางเขาจีนจ่าตัวยไปกล้าไปขายต่อไปนาลำพิดหนวดโปหือไปบบของใครก้าขา ย, ขา ย, ขายต่อมันแต่นามอดตาใสหั่นดีหั่นงาม งามเสต้าก็อยาโปกาหายขายในกาศปอยยุ่มไหวเปือนตื้นมาถามก็เดียวอ่ะเหมือนก้องงามมิอิยุ่มปากโมนแกนตุปีเขาเพูดสื่ออ่ะแมวเขาคันพูได้เกิดมาแล้วมีแผิปัญญาเปิดว่าคันพูนั้นหมักเขาหานักผาดอาจารย์ท่องถามกองศีลกองบุญ คนอันเกิดมามีผพีปัญญาตุนจะเห็นหลีกเห็นทำกล่อมไลนึกใบโง่ตันนั่นพ่อเปิดว่าเป็นควนติมมกเข้าหานักผ่าอาจารย์แบบทองถามเปิดหันสมณะสามจีคนหูควนรักมากกไปลายไปอยู่ไกลๆควนผู้ใดเกิดมาเป็นคนหังมีเป็นดีพ่อเปิดใดติดใดตานมาเกิดมาเป็นควันตุกข้าอย่าผือดขันใจนั่นพ่อเปิมใดติดใดตาน ผมอยากสทัทยตีน้ำมากราบฝันผมอยากสทัทย์นี่ไม่ใจว่ายอมก้นต่อกรรมเว้นอันเาไรเฮมาแต่ฮือฮู้ในโตในใจโตเก่าสเสลเป็นแม่ฮือดีขึ้นฮู้โตวบบงงามก็คือเป็นความใจดีใจหวานไว้ยุวไวเสดป้อมมันขยุมก้อมไปมากลกรมไวฮือมันยุม เกิดมาเป็นโรคภัยใครเจ็บกำเจ็บหูเจ็บตาเจ็บหลังเจ็บหนองก็คือเป็นความตีเมตตาผานีต่อสัตวอย่ามักคาสัตว์ชีวิตบิเบนหิงสาปืนปล่อยนอกปล่อยฟ้าผ่องก็ดีมีใจเมตตาผานีอันนี้นํามาบอกเก่าวเนปผมมีอาัาษรในการตั้งธรรมมหาเวสสันตระ ยอสา ม, มะเนนึ้นถึงอุปสัมปะตะกัมปิกเป็นพิกคู่ใหม่อของปอดนานดีเมียออกนายสินนั่งแปลงเป็นเก้าว่ายาติกาปี่นองตั้งหลายมลได้หยาดน้ำตาเตาไปแล้วผมเมียกสัทธากอดสาธุเอาปูสรลานาบุญจอมกันแล้วตั้งสิ่งก็เป็นตีเรียบร้อยดีงามไปวันนี้ได้มาเตสนะรมโอวาตาปอดน้อยหนึ่ง อันน้อยอ่มันก็กว่ายาวมันก็ก่ อ, กกอที่ป้องในใจอยู่เหมือนในที่เรียวก็บมีรับกับใครรับนอนกับใครนอนก็ว่าได้มาติศสนาทรรมแร้วก็อ้างหวังไว้ในใจไว้คือผมมีออกสะท่าได้สาธุอนุโมตานาะไปเปลี่นเมฆเ ก, เกยไขตัวเก่าดอดีขึ้นปฏิบัติคือจอบแม่ตามกองพุทธศาสนา ความสุขอุ่นตุนใจกอดที่มีเก่บผมหยอกสัทธาจังตัดนี่แหละจัดปายนาติสุดท้ายแองคธรรมะตีสนานีขออือผมหยอกสทกัทธาตุกภูตุกคนอยู่เล่าสาวดีอยู่ดีกินหวานหมังมุนตุนเต้าอือจเจริญไปโดยพรสีพาการมีอายุวันนาสุขภาพาละเหมือนกันตั้งสิง่งตั้งมูลนอนหลับอือไดเงินหมืน่นตื่นมาอือไดเงินแสน เป็นมือคือลายเงินล้านขีค้าในตาก็ยังไรเป็นดีแทงนะผมเหาะสัทธาทุกปกูทุกคนมีตีจังตีปืนวันที่หนึ่งใส่ทีคือเหมือนอ๊อกวันที่สิบออกใส่ทีคือเหมือนใจอย่าพีมีโรกาภัยมาปัดตองในแห่งห้องกายยาตนตัวผมเหาะสาัทธาขีญาตสนายังทํา ว่าด้วยดึงบุญก็สารัจจาบุระมลกาฬโกลเต่านี้ก่อนแล